เรื่องอติเรกจีวรเกิดขึ้นสมัยนั้นอติเรกจีวรเกิดขึ้นแก่พวกภิกษุลําดับนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกเราจะปฏิบัติในอติเรกจีวร อ, อย่างไรแล้วนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า